ก็ตาก็ไม่กินเบ็ดที่เด็ดมันต้องมีทุกประเภทเครื่องล่อของสารโลกโลกินได้ติดมันตลอดมาไม่มีใครมาพูดได้เลยว่าเบื่อใชแล้วเหมือนเรื่องที่เด็ดนี้เพราะเคยอยู่กับมันมาจําเจอมันเคยทรมานมาอย่างจําเจอืมันเคยโหดหน้อยทารุณบีบบีดสีไฟมัดจีด๊ดจนนานแสนนานไม่เคยมี ถ้าไม่ได้ทําเข้าไปเป็นเครื่องวดัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบเครื่องทําสังหารทําลายมันแล้วจะไม่ได้คําว่าเบื่อกิเด็สมาพูดได้เลยการเบื่อกิเลสก็พราะเห็นเรื่องของกิเลสตามหลักความจริงของธรรมเราจึงจะเบื่อมันได้ให้เบื่อเฉยเฉยเนี่ยก็แบบผัวเมียเขาเบื่อกันนะั่นแหละบวกเบื่อคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นแนะ่ร่างจากคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเสียมันเบื่ออะไรเบื่ออย่างนั้นทำทําให้เป็นอย่างนั้นถ้าทำไปให้เบื่อ ขึ้นมาคีย์บัจจิเดชไม่ว่าจะโลภเรื่องอะไรจะโกรธเรื่องอะไรจ ะ, ะรักพลายจะชังอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกันหมดรูปทันกันหมดนี่มันไม่ได้จับนี้แล้วปล่อยนวลการทำท่านก็ไมไปจับไปอุ้มท่านไปเกาะไปรัดท่านขอให้เอาสิ่งที่มันเกอะมันรัดตัวเรานี่ออกเถอะความดีชนะจะมีเองที่ว่าพุทธังธรรมสนางก็ะามนี้นี้ก็เป็น เห็นทิศทางเดินเป็นที่อาศัยในเวลา ด, ดําเนินเฉพาะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทําเหล่านี้ก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียะจะว่าปล่อยวางไม่ปล่อยวางมันก็รู้อยู่ภายในตัวเองสันทิฏฐิโกเป็นยังไงเหมือนอย่างสถานที่นี้มันมีทางเข้ามาพอกล้าเข้ามาถึงที่แล้วทางกับ สถานที่นี้ก็หมดปัญหาไปเองคําว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวของจิตใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นอิสระให้ถึงจุดหมายปลายทางมันก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคําว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยเกาะเคยยึดมานั้นมันก็หมดปัญหาจากนั้นไปเองเข้ามาเป็นถึงจุดที่พอกับความต้องการ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 เม่อกี้ดูตั้งแต่เวลาไปประกอบความภาพเพียนไปสององค์เป็นอย่างหนึ่งสามองค์เป็นอย่างหนึ่งไปถึงสองสองสามองค์ไปแล้วไม่เป็นท่าสําหรับมิสไยของผมเองเป็นเช่นนั้นต่ไปคนเดียวแล้วมันมอดไปเลยเนี่ยเหมือนน้ำไหลลงช่องเดียวนี่กาลังมากเป็นกับตาก็อยู่กับเราคนเดียวอยากคบอยากชันอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินเพราะไม่มีความห่วงใยกับใครไม่มีสัญชาตญาณที่จะไปรับผิดชอบใคร มีความนับผิดชอบในตัวคนเดียวจะเป็นจะทายมันก็รู้ตัวอยู่แล้วการฝึกทรมานจะถึงขั้นไหนมันก็รู้ตัวอยู่เพราะเราฝึกเราทรมานเพื่อความรู้ความฉลาดไม่ใช่เพื่อความโง่ทําไมจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อ ต, ตัวเองหนักเบามากน้อยอย่างไรต้องรู้การประกอบความภาคเทียนเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มี ผู้ใดมาแยง่งมาชิองเวล่เวลาหน้าที่การงานังตนให้ขาดวัคขาดตอนไปก็มีแต่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเฉพาะถึงกระทั่ทงถึงจิตมันมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตามลำดับลำดาลแล้วนั่นก็ยิ่งเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอยู่คนเดยวทั้งวันเป็นความสนิทแนบแนบ่แนภายใจิตใจเป็นความเหมาะสมตลอเวลา ก็ย้อนกลับมาหาเรื่องของหมู่ของคณะที่มีจํานวนมากเป็นอย่างไรมันก็ได้สัดได้ส่วนกันมีน้อยเป็นอย่างมีมากเป็นอย่างหนึ่แต่ก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการได้ออยินได้ฟังเราก็เอืเ้อเนตผลอันนี้เพราะเราก็เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้รับกันไว้บางทั้งที่ไม่สะดวกในทางหนึ่งก็ต้องคิดในแง่หนึ่งเพื่อบรรลุภูมิานกันไปถูกถายกันไปเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่ก็ให้มองดูจุ ด, ด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 แก้กแก้เจ้าของเองต้องให้หมายถึงจุดนี้เป็นสําคัญในการปฏิบัติตัวอย่าไปถือเรื่องถือราวใดๆของผู้ใดมาเป็นข้อข้องใจมาเป็นอุปสรรคแต่การดําเนินของตัวเองความผิดความถูกนั้นแนะนําตัะเกือน์ต่างสอนหรืออบรมกันได้พูดกันได้เพราะต่างคนต่างมามุ่งอัดมุ่งทำเลยกันพูดกันได้ไม่รู้เรื่องมันมีอย่างเหรอมนุษย์นี่นําช้าอย่างเป็นภาพปฏิบัติเหตุใดจะพูดกันมารู้เรื่องเหตุใดจะพูดกันไม่ฟังครับ ทำกันด้วยเหตุผลกระทั่งที่มาตั้งใจมาปฏิบัติทำรรซึ่งเป็นองค์แห่งผลอยู่แล้วต้องยอมลาบการเรื่องความอวดดิบอวดดีอวดเด่นอวดรูอวดฉลาดอวดอะไรต่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกล้วนๆอย่านําเข้ามาให้เป็นอุปสรรคมากีดขวางในวงหมู่คณะและตัวเองผู้ดําเนินทำให้เสียไปเลยมีทำล้วนๆเท่านั้นที่จะมาปฏิบัติ อย่างน้อยก็ให้ตำหนิของตนมาต่ำไม่เสมอนั่นเหมาะถ้าเปิดทางความให้อภัยแก่หมู่คณะไว้ให้มากจิก็เป็นสุขการพุทธปฏิบัติให้ดูเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อเราไม่ว่าขาววัดปฏิบัติภายนอกภายในเป็นเรื่องทำเพื่อเราแต่เมื่ออยู่กับหมู่เพื่อนก็เกี่ยวโยงกัน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 าการคุณหัดอบรมทางด้านจิตตรรมนาก็เคยสอนดูเสมอทั้งภาคสมถะทั้งภาควิปัสสนาสอนจนเต็มผุ่มขอให้มีความจริงจังต่อนหน้าที่ในทําคันนั้นๆของตนหนึ่งดูนิยาเข้าใจว่าอะไรๆมีในเวลานั้นจึงตรงนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วในหัวใจมันคอยจะ่แยบน้นแยบนี้บางคราวเข้ามาได้ชั่วขณะมันออกไปจะเป็นเวลากี่ชัออ่วโมงมันต้องจะมาแยบได้สติอีกทีหนึ่งทีนึงนั่นแหละ ผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเห็นนั้นเองมันต้องให้เอากินเอาจังอยู่ในสนามลบคือที่จิตนี้ผู้กําหนดอนาปานสกีก็ไม่ให้มีอะไรมาเกี่ยวมากวนคือจิตนี้แหละไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรเอเรื่องภายนอกที่จะมากวนมันไม่มาแหละจิตนี้แหละเป็นตัวขนองออกไปยุ่งนั้นยุ่งนี่แล้วหาว่านั้นมีอารมณ์นั้นหาว่าเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หาอนั้นมายุ่งหาอันนี้มายุ่งอะไรจะมายุ่งถ้าจิตไม่ ก็เพิ่มตัวเอกไปสู่สิ่งเย่านั้นมันจะเป็นเรื่องราวสิ่งอย่านั้นมาขึ้นมาไม่ได้น่ะจิตเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปทากันมันหมาไปว่าดภ า, วาพวาพโพสขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็เป็นมาเท่าไหร่แล้วนีน่ขนาดที่จะบําเพ็ญธรรมเพื่อเอาของจริงไม่ใช่ของหลอกอย่างนั้นทําะไรจะทําไม่ได้ต้องตัง้งใจลงให้แน่วแน่ต่องานต้องตนเองในขณะที่ทําทําราวกับว่าไม่มีอะไรไมีแต่ความรู้กับงานที่ทําอยู่เพกันเท่านั้น พอหน้ากันเหมือนกันย่าไปกําหนดว่าช้าหรือเร็วนานหรือช้าหรือขนาดไหนไม่ต้องประยุ่งให้ดูที่เหตุที่มันปรากฏที่สิ่งที่ปรากฏกันอยู่นั้นก็คือความรู้การงานที่ทำมันจะไปสั้นไปยาให้มันรู้อยู่ตรงนั้นเองอยู่ในจุดปัจจุบันปัจจุบันแล้วจิตมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงโดยอาศัยธรรมเครื่องบังคับเช่นพุทโธหรือ อนาปาณสติดเป็นต้นบังคับไว้กับธรรมเหล่านี้ไม่งั้นกิเดชจะเอาไปหุงไปต้มไปตุ๋นกินทะหมดให้อยู่กับนี้ทรมาท่านไม่ต้มใครแหลม ส, สุขแบบธรรมนั้นสบายถ้าสุขแบบกิเลสแล้วและไปหมดเน่าเฟะเหม็นครุง้งใช่ไหมล่ะให้อยู่ที่ตรงนั้นลมห า, ายใจะละเอียดขนาดไหนไม่ต้องไปกำหนด ไปคาดไปหมายให้ดูอยู่ตามเหตุการณ์ที่เป็นในวงปัจจุบันมันมันจะไปไหนจนกระทั่งถึงลมหายใจมันดับจิตก็ดับให้มันรู้ซิไม่มีอะไรรู้ถ้ามันเป็นกรรมฐานหัวตอ่อแค่มันรู้สินั่นแ่ะคําว่าให้มันรู้นั่นแ่ะมันดับเมื่อไหร่มันไม่เคยดับเป็นอะไรก็จะรู้กันมาหมดในขณะที่พภาวนาเราด้เห็นด้วยสิสสได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าจิตมันรวมแปลกประหลาดอาศจรรย์เป็นงไงจิตเราก็มีสิ่งที่จะทําให้แปลกประหลาดของเรามีได้เหมือนกัน เมื่อเหตุพร้อมที่จะทําให้ผลปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นต้องเป็นขึ้นได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดเราก็จะเห็นในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะพิสดารยิ่งกว่าจิตแหลมคมยิ่งกว่าจิตละเอียดยิ่งกว่าจิตสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาท้ายหนจิตนี่แหละส่วนตางหูจมูกเลี้นการมันมีขอบเขตของ ม, มันไม่เลยขอบเขตนั้นไปหน้าละ่ะสิ่งเหนี้มันเคยรู้เคยเห็นอะไร เคยได้ยินอะไรมันก็แค่นั้นแหละเลยนั้นไปไม่ได้แต่จิตนี้ไม่เช่นเท่นนั้นมันละเอียดละออลึกซึ้งกว้างขวางมากทีเดียวพิสดารมากยิ่งให้จิตมีความสงบร่มเย็นแล้วมีทางเดิอนออกด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเวิ้งว้างเวิ้งว้างไปเรื่อยสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นนีเห็นกิเลสประเภทใดที่มันเคยเป็นภัยมันฝังจมยิ่งมันเปิดตัวขึ้นมาด้วยอํานาจของปัญญาด้วยอำนาจของสติเปิดเผยขึ้นมา ค่ากิเลสค่าพระวิธีใดก็ไม่ต้องถามใครมันเป็นไปในตัวนะั่นแหะระหว่างที่เดสกับธรรมซึ่งเป็นค่าสึกกันที่เรานำมาปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นมีคาว่าสงบสงบท่านพูดไว้พอประมาณ <c oughs> จะพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงมันไม่หวาดไม่ไหวที่จะนำมาพูดขอให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจในตัวเองอยาาละเอียดหรือเลือกตื้นขนาดไหนจะทราบ กวา้างแคบขนาดไหนจะทราบในวงปฏิบัติของตัวเองนี่ถึงเป็นสมบัติของตัวเองแท้ขนาดที่เรารู้อดรู้ทำไปมากน้อยก็เป็นขนาดที่ค่ากิเลสไปตามๆกันนั่นแหละไปพร้อมๆกันไม่ใช่รู้ไปเฉยแล้วกิเหัวเลาะเยาะอยู่ไม่เคยมีกิเลสก็ต้องหมอบลาบไปเรื่อยๆนี่เพียงวงสมถะอันนี้ถ้าเราก็ยังทาไม่จริงทําไม่ได้หาความสงบไม่ได้เราเอาความสุขที่ไหนจากวงาศาสนาจากวงปฏิบัติของเรา หรือจากการปฏิบัติของเราจากเพศของเรามันก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับโลกเขาเนี่ยผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วแต่เมื่อพันจนกระทั่งไม่มองเห็นตัวคนก็ได้ผ่าเหลืองแปลประหลาดอาัศจรรย์อะไรถ้าเจ้าของไม่ทําตัวให้ของให้เป็นของอัศจรรย์ด้วยอาจด้วยธรรมพระเจ้าอันนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบเท่านั้นให้ตัวเองทราบเท่านั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิสโส ตามความมุ่งหมายของธรรมที่ท่านสอนไว้ความวิเศษวิสูก็คือทำภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้มากน้อยนั่นแหละเป็นความวิเศษทำานมันจริงเหมือนกันสงบเย็นก็เคยได้พูดให้ฟังเราก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นท่านเคยพูดเราอัศจรรย์จนน้ำตาร่วงตอนนั้นพูดเป็นอยู่ที่ขั้นสติกา เหตุที่จะเป็นก็ น, นั่นแหละท่านกระจนกรอกท่านถึงได้เหตุได้ผลท่านเอาตัวรอดได้เวลาจนกรอกมันตั้งซีถ้าจีปัญญาแล้วคนเหล่าเกิดได้มีได้ในขณะที่จําเป็นไม่ใช่จะโง่ยอยู่ตลอดเวลาเมอถึงคราวจาเป็นแล้วอัตตาอิจตโนนาโถมาเองเป็นเองเพราะไม่มีใครจีจะพึ่งจะอาศัยอยู่ก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วจะหวังพึ่งใครสิ่ง น, นี้มีใครที่จะมา ถอดมาถอนมาช่วยหยิบยกออกได้หละความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในท่านในขันในกิใจถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้พิจารณาเพื่อลบดีบดติดตัวให้เอาตัวรอดไปได้มันก็มีเท่นั้นเมื่อไปเช่นนั้นอัตตาหิตันโหนโถก็มาเองพู้นั้สังโฆอัตจันรย์กเจ็บบิดปวด หนักเป็นอยเรื่อยถ่ายเรื่อยเอายาอะไรมากินก่อนแล้ว อ, อะไรมากินก่อนแล้วสุดท้ายเวลามันจะทำเราอเปล่าโยนยาเข้าป่าไปหมดแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นเถอะเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับอยู่กับยาหรือเานมันก็เป็นอยู่ในข่าในขันเอาจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายวันนี้จะเอากันไม่เต็มที่มันก็เอาเลยต้องพิจารณาลงด้อยเรื่อย เวมันจนเกาะมันทุกข์มันก็บีบเข้ามาบีบเข้ามาสติปัญญาก็บีบ ก, กันลงไปในตรงนั้นอีอ่มันโลยพอจิตลงเพิบมมัเงี้โอ้ยทุโกโรคธาตุนี้หมดทันว่าคือหมดในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยอย่างว่าเห็นได้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่กับความรู้นี้อันเดียวมันเหมือนป ร, ป, รประหนึ่งว่าครอบไปหมดโรคธาตุมันมีแต่ความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นทันว่า มาคิดถอนขึ้นมาโลคหายหมดนั่นตั้งใจกันพูดเราอัจจรรย์ตอนที่อะไรเจ้าป่าของมาจะมาค่ามาทำลายท่านแบบเหล็กต้องทอนนานกันเหมือนกัน้องที่เขียนไว้ในประวัติของท่าน คือนิสัยท่านในทางความรู้แปลกๆต่างๆท่านเป็นมาตั้งแต่ต้นเนาะเรื่อยมานั่นแหละตามนิสัยเพราะนั้นท่านถึงชานาญมากท่านเคยเป็นมาตามนิสยัยผมเวลามาเป็นเราก็เป็นที่นี่ที่นี่มันก็อศัศจรรย์เหมือนกันผมเป็นไปนอยู่ที่น้องผ้อพิชณาร่างกายเนี่ยแต่ไม่ๆๆไม่ไม่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่า ทุกมีมากนะพิจารณากันร่างกายธรรมดาตมดาลมันก็นลงกันอย่างนั้นเหมือนกัน ม, มัดเลยว่างไปหมดโอ้เป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วกำหนดดู่ะไรมันก็ว่างไปหมดนะนั่นแหละผลที่ ยังเหลืออยู่จากจิตที่ลงในขณะนั้นถอนึ้นมาแล้วใช้ความคิดก็คิดได้แต่มันพอคิดยับมัดับไปเสียงกําหนดดูอะไรมันก็ไม่เห็นดูกุฏินั่นกุฏินี้ดูต้นไม้ในวัดมันก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยมันยังว่างมันเหี่ยวงั้นถึงอัศ จ, จรรย์อันนี้ก็อัศ จ, จรรย์เกินขาดเหมือนกันเป็นประเภทหนึ่งใ น, น, น, นส่วนที่อัศ จ, จรรยนะ์ในเรื่องต่อสู้กับทุกขเวทนาดังที่กล่าวแล้วนั้น ที่จามันสาบันนมนก็ดูว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นนไม่ในเป็นนี่ได้เห็นมันพูดได้เป็นกับเจ้าของรู้กันกับเจ้าของทําไมพูดไม่ได้ทําเป็นปัจจตังรู้ําพอะเจ้าของจะแทรสรรที่จะโกเป็นสิ่งที่จะรู้ได้พูดได้ไม่ไม่เต็มเม็ดเต็หน่วยเต็มตามความจริงนั้นก็าตามก็อาศัยความจริงนั่นนําออกมาพูดได้ คือว่าเราเป็นถ้าเป็นพจน์ก็ยังได้ถึงไม่ตรงกับความจริงนั้นกว่าตามก็ยังพอเป็นกุยหมายป้ายทางได้สําหรับผู้ฟังเพื่อยึดเอาเป็นกติยังได้กล้าพูดว่าใจนี้พิสดารมากหนาะยังไกล้าพูดเลยมันกล้าพูดยังไงก็มันเป็นให้เห็ น, นรู้เห็นเป็นให้เห็นอยู่แต่แตอะไรจะเป็พิสดารนี่กว่าใจเราจะไปคาดใจฆ่ พาดไม่ถูกจานั้นแหละผ่ากับผิดไปทั้งไผายที่ไดรร้รับการฝึกฝนว่ากันทมานทำละซักพ อ, อกออกในสิ่งที่ยึนในกรอบหรือในข่ายของความคาดเอาออกให้หมดเสียทีนีอันนี้หละพ้าให้คา ด, ดหมายถูกก็ถูกตามอำนาจของอันนี้เองมันไม่ถูกตามอนาจของถรม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 แต่เมื่อทําจับเข้าไปจับเข้าไปอย่มันสิมันเห็นนี่มันรู้นี่รู้ไปตรงไหนที่เดียดมันพังออกพังออกพังออกพังออกอ้าเอาว่ามันเต็มที่เต็มอย่างก็พังก็จนหมดเอาค่าที่ค่าจิตตรงนี้น่ะมันค่าได้ยังไงอะไรจะพิสดารเกินค่าเท่าจิตอะไรจะอัศจรรย์เกินค่าเท่าจิตในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของพิสดารเป็นของจิต กระเสดเลือดเลยยิ่งกว่าจิตหนั่นพูดได้เต็มปากตรงนี้แต่จะไปคาดแต่อย่างนั้นนี่คาดไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรมาคาดแล้วมันถึงหลักธรรมชาติแล้วคาดไม่ได้สิ่งที่คาดคือเรื่องของกิเลสมันคาดตาคาดอย่างนั้นอะไรกิเลสมันก็พังไปเหสียออะไรมาคาดโลกจะว่ามีก็ว่าผมย้อดออกไปว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีอั น, นั่นต้นไม้นี่ภูเขานั้นดิน ฟ้าอากาศว่ากันไปตามเรื่องที่เราเคยรู้เคเห็นแต่อย่าลืมนะว่าจิตนี้เป็นผู้ไปให้ความหมายนะจิตเป็นผู้ไปแยกออกไปว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ธรรมชาติอันแท้จริงแนละ้วสิ่งเรานั่นเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรมีเด้วยมีเขาไปกินออกงานเช่อนอย่างต้นเสาที่เรานั่งชั้นลาที่เรานั่งอยู่ลนี้คำว่ามีเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขามีมันก็เหมือนไม่มีนั่นเอง ถ้าจิตไม่ไปให้ความหมายที่อย่างเดียวนี่เพราะจิตหมดเรื่องสลายป้ายสีสิ่งนั้ น, นที่นี่เที่ยวยกนั่นยอนี่เหยียบนั้นหมดไปจากจิตแล้วก็ต่างกันต่างจริงอะไย่งนี้แต่ความรู้ด้วนๆอยู่ภายในตัวไม่แยบออกไปแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มี น, นี่อะไรหลงก็หลงจิตที่เจ้าของสำคัญว่ามีว่าเป็นว่าดีว่าชั่วมันเจ้า ข, ของไปสาคัญ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่มันส้องคัญก็แก้เข้ามาตามลําดับธรรมดาจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือความสําสคัญก็ก็มาหลอกไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างสัญญาในขันนี้มันก็มีของมานแต่นี้อะไรที่จนหลอกให้หลงยี่เหลียมตัวหลอกมันตายหมดแล้วก็ยังแต่ขันเรียกว่าขันล้วนๆหลอกใครที่ไหนขันล้ว น, วนไม่เคยหลอกใครยี่เหลี่ยมหลอกขาดเอาขันมาเป็นเครื่องมือหลอก ขันธรรมถฏก็สงบให้เห็นจากภาคปฏิมาธินี่ะขันปัญญายิ่งพิสดารหรืขันวิมุตตหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดพ้นที่ไหนถามหาอะไรพันิพาลมันถูกบีบถูกบังคับอยู่ตรงไหนทุกมันทุกอยู่ตรงไหนทุกอยู่ที่ตรงที่บีบถูกบีบถูกบังคับผู้ถูกบีบถูกบังคับก็คือใจ เมื่อได้เปิดสิ่งต่านี้ออกหมดถอดถอนทั้งหมดไม่มีอะไรบังคับแล้วก็เป็นอุสระ์เต็มตัวเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติเองไม่ใช่ความรู้่เจือปนไปด้วยความเศสศสรนต์พันหยอแทรกซึมไปด้วยยาพิษทั้งหลายเหมือนแต่ก่อนเป็นความรู้ล้วนๆเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติความรู้นี้จึงพูดไม่ถูกนะที่นินะที่เรารู้เร่อเด่นๆอะไรๆอย่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งนะเนะ พูดความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นอยู่ในขั้นสมสมุติสมมุติเช่เสียงมันกระทบก็ได้ยินแยกขึ้นปรากฏนี่ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ในวงอนิจจังในวงไตรลักษณ์นั้นแ่ะเพราะมันเป็นสมมติจะเห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์ในเดี่ยวนี้มันเป็นเรื่องความรู้ที่อยู่ในวงของสมมุติเพราะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสมมุติธรรมาชาติที่รู้รับกันนี่ก็เป็นสิ่งสมมติ นอกจากนี้แล้วเป็นยังไงนั่นพูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ดังที่ว่าพระอรหันต์ถ้าพูดที่มันยันงนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ดังที่ว่าพูดวันประชุมคาที่แล้วนะนั่นเขาเคยเห็นอรหันต์อะไรนะอืออยากจะยกตัวขึ้นมาให้เด่นให้ดังเหยียบหัวตัวเองมาไม่รู้แล้วถ้าทำก็ดุดเสียไปอีกมากมาย ให้มันรู้ดูเยื่องขะก่อนสิพระทหารท่านนอนหลับหรือไม่หลับก็ให้รู้สิชาคาละชากาละที่ว่าพระาหารท่านตื่นอะไรทั้งท่านตื่นกันไม่เห็นในตัวเองสิอะไรหลับอะไรพักเรื่องาธาตุเรื่งขันก็ให้รู้สิถ้าลงมันรู้ในทั้งสองนี่แล้วมันไม่ไสงสัยแลแหละต่างคนต่างรู้ว่ า, าธาตุขันมันพักตัวหรือว่าห ล, หลับหลับยังไงหลับคนมีกิเลสหลับไปยังไง คนไม่มีกิเลสหลับเปไน็นยังไงเขจะสงสัยที่ไหนเพราะความีกิเลสเราก็เคยมีกิเลสเราหลับด้วยความมีกิเลสของเราเราก็ในท่านในขันต์ของเราเราก็เคยหลับหลับด้วยทั้งที่ไม่มีกิเลสพนันแล้วก็รู้อยู่แล้วประจักษ์ใจอยู่แล้วแล้วจะสงสัยอะไรนีพูดอย่างว่านพอฟ้ากระหึ่มกระหมโอ้คิดถึงเทพป่ะอะไรนีฟ้าไปะหึ่มกระห โอคิดถึงกรุงเทพเคยเห็นไมหมกรุงเทพพอได้ยินแต่เขาว่าว่าหนักไม่เคยเห็นกรุงเทพแต่คิดถึงกรุงเทพพอได้ยินฟ้าก็หึงก็หึงโอคิดถึงกรุงเทพว่ะแล้วเคยไปเห็นไมหมกรุงเทพว่ะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่าอันนี้ก็เหมือนกันแม่ที่ว่าพระท่านพระอรหันต์ท่านยังมีนอนหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหรันต์ผู้ที่ว่าไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคือคนประเภทไหลไม่เาไม่ดูตัวเองบ้าง มันโง่หรือมันฉลาดไปถึงไหนแล้วนี่ดูมึงสิปฏิบัติก็ไปแล้วมึงก็รู้เองท่านเป็นขันเป็นเรื่องของสมุดแม้แต่รถก็กับรถดยนต์ขยังพักเครื่องเวลาติดเครื่องกันไปรถยนต์มันมีวิญญาณหรอฮะมันไม่มีวิญญาณแต่เวลาติดเครื่องกันไปมันยังติดดังจนเป็นเพื่อนเห็นไหมอ่ะมันเอาวิญญาณมาจากไหนมันดังดังขงห้องวนหน้ามันยังดับขห้องวัหน้าเวลาคนนห้ดับ ผู้ขับก็เป็นอีกผู้หนึ่งนั่นติดเครื่องอยู่ก็ผู้ขับนี่นอนหลับได้สบายอยู่ในรถถ้าจะหลับนะชากรธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันชากรธรรมของพระอรหันต์คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไรสมมติความนุ้กิเลสบีบหัวยี่สอบเวลาจะไปวิพากษวิจารณ์ชากรธรรของพระอรหันต์ไม่ละอายตัวเองบ้างเหรอ หือยังมาตัวเองภูมิฐานตัวเองมีความรูม้ความฉาอะไรเง้ขายตัวเองไปเท่าไหร่แล้วอันนั้นมันอยู่ในอำนาจของขันนี่อะไรเ น, นี่ยจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ดีในอำนาจของขันธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นที่ยวชาคราชากระละกู้ตื่นอยู่ก็มาขึ้นธรรมชาตินั้นอนะ่ะไม่ได้คุ้นกับอะไรเลยเป็นของตัวเองอย่กิ น, นั้นเป่นธานุเรื่องขันจะระงับดับไปแล้ว คือความรู้ที่จะมารับวันนี้มันกระดับไปหมดมารับรูปรับเสียงรับสิ่งรับรสในขณะที่ขันมันพักหนึ่งตาหูจมูกลีดกายตาก็พักความรู้ที่จะเดินผ่านทางสายตา น, นี่ยก็พักทางหูก็พักพักไปหมดเวลานั้นไม่ออกมารู้มารับมาแสดงสมมติหลับ พ อ, อ, อวความรู้ประเพณี้กระดิกตัวขึ้นมาก็รับทราบไปหมดก็ตืนเนี่ยฟังที่ว่าความรู้นี่พักตัวความรู้นี่พูดยังางว่าความรู้นี้เกิดขึ้นความรู้นี่หลับไปมันเป็นชากระเมื่อไหร่นั่นเกิดขึ้นและดับไปมันเป็นมิมุติเมื่อไหร่นั่นฟังเขาสิธรรมชาตินั้นไม่ได้ไม่ได้มีอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นจึงอยู่ในวงสมมุติด้วยกัน มีนาก็ไปยิ่งเาอยากรู้แต่ท่านผู้รู้จริงๆทำไมเนีมาพูดอย่างนั้นล่ะประกาศขายงูตัวเองใครที่ว่าเป็นปเป็นอรหันนั่นหลับได้อยู่นะั่นนอนอยังหลับเลยไม่ใช่อรหันอยากจะให้เขาพูดว่าคนที่ไปหาทำนายได้อย่างนั้นเนี่ะคือจอมอรหันใหญ่เขาว่างั้นเหรอจองอรหัน พูดหลับตาพูดเราอยากพูดยงนั้นอะโง่แสนโง่กับตาเราอยากจะพูดสนุกสนกเว้ยพูหลับตาพูดอวดหลับตาธรรมดาคนตาบอดทักที่คุยนานะคนโง่ชอบคุยโอ้คุยโง่โอ้แต่เก่งคนโง่มีคนโง่ทําตัวเป็นผู้ฉลาดมันก็น่าหัวเลาะมันน่าหมันใส่คนฉนาดทําตัวเป็นคนโง่นี้โห้จับได้เมื่อไหร่อืม มันผิดกันนะคนฉลาดทําตัวเป็นคนโง่กลับไม่ได้ง่ายๆนะถ้าคนโง่ทําตัวเป็นคนฉลาดนี่เพราะแยบอมมันก็นรู้ทันทีอยาการที่ปุ๋ยพูดอยู่เวลานี้นี่นพระหรหันธ์ท่านนถ้าเป็นพระหรหันธ์ท่านนอนหลับอยู่นั่นมันคือไม่ใช่พระอรหันธ์นี่ก็คือบางที ม, มันโง่จะตายมันปวดฉลาดมันก็ขายเต็มเป้าเลยสิเม่พระหรหันธ์ท่านนอนทําเห็นตื่นท่านฟังซิ หากท่านหลับ ก, ก็ดีท่านตื่นก็ดีถ้าไม่เห็นตื่นท่านเราไปตื่นอะไรเป็นบ้ากับเราทั้งๆ ท, ที่เราก็มเาเห็นเราหันเห็นอะไรเหตุอวดตัวเอนทําไมถ้าไม่ใช่แบบตาบอดชนต้นไม้แล้วยังอวดดีมาเฮอะสมหวังแล้ ว, วันนี้嘛สมเจตนากูแยกกที่กูพยายามมันจะโดนมันตั้งเมืนะม่อวานนี้ต้นไม้ต้นนี้เนีวันนี้สมใ จ, จแล้วร่มลงไปแล้วหนึ่งหันหน้าไปนู่น หันหลังให้ต้นไม้ตอนนั้นอีกยังยังหันหน้าไปยังไม่ถูกต้นไม้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วานน้ำไม้ต้นนี้วันนี้สมหวังเวมันสมหวังก็ที่นราผ่ามันแตกแล้วมองยังไม่มองดูต้นไม้ตัวที่สมหวังเลยนะตัวที่เป็นกูเด็ดกูแย่งนี่ยังมองไปโนอาหันหลังให้ต้นไม้อีกยังไม่เห็นอีกนี่มันก็แบบเดียวกันไม่ได้ว่าตัวโง่ไม่ว่าตัวตาบอดเลยนั่นแหะคนโง่โอชลานเป็นอย่างนั้น คนฉลาดทำตัวเป็นโ ง, ง่โหจับไม่ได้แหบเงียนมากหรือสถานที่ทงงโง่โง่ไปเสียเนี่ยถึงสถานที่ฉลาดเหตุการณ์มันต้องบอกเองเป็นภายในหลักธรรมชาติของท่านเองคของของของเขาเองคนพน น, น, น, น, นนั้นผิดกันอย่างนีนากากันตั้งหน้าตั้ง ต, งตาหนา ในวาระที่เขาพรรษาเป็นวาระที่ไม่ค่อยมีการํางานเราระวังมากที่สุดเรื่องการงานที่เข้ามาทำลายวงปฏิบัติคือกิจกรรมนาเราถึงงานนี้เป็นสําคัญมากสําหรับพระปฏิบัติของเราไม่เห็นงานอื่นใดเป็นของสำคัญนิ่งของงานนี้การทําอะไรก็ตา่างๆทำมีความจําเป็นกระ จ, จะัดแต่ทำก็ทําต้องมีกฎมีเกณฑ์เอาไว้ไม่ทำเพื่อไม่เป็นบ้าไปกับงานนั้น เพราะอันนั้นมันออกง่ายๆเรื่องของกิเลสมันพาให้ออกง่ายๆเรื่องแบบนี้ระวังมากนะมันเพราะมันมาจากแซนเสมอมันชอบฉลาดหาเรื่องมันยุ่งหาเรื่องทําลายอยู่เรื่อยมันไม่ได้มองหนูหน้าเลยเบารามจะฉลาดถูกกิเลสลากจมูกไปมันไม่รู้ว่าถูกกิเลสลากจมูกมันยิ่งอวดรู้อวดฉลาดไปด้ว่อยกิเลสมันผักมันดันออกไปไม่รู้ ทำอะไรมันนักเลยเถิดเลยเถิดเพราะคิเลยมันเคยพอดีเมื่อไหรมันเลยเถิอดอยู่ตลอดเรื่องของจิตใจทำไมมันจะไม่ลากคนไปให้เลยเถิอดจ้ะถ้าทําต้องมีความพอดีพอดีพอดีอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมทํำจะกาลเวลาให้เหมาะเลยเล น, นักปนิชย์พุทธธรรมอะไม่ดูมันเลยวันนี้